สุขจากเมตตาธรรมช่วยให้ผ่านช่วงอกกลัดหนองไปได้เร็วมากทุกไม่เลิกราเพราะอกหักสะท้อนว่าจิตยังยึดกับความผิดหวังยึดอยู่กับความเสียใจที่เป็นฝ่ายถูกทอดทิ้งแต่หากถูกหักอกและมองเข้าหรือเธอไปดีได้แบบยิ้มยิ้มไม่กลางฝืนไม่ฝังรถขม ไม่อมทุกข์แบบหน้าชื่นอกตรมให้ใครดูอันนั้นสะท้อนว่าจิตมีเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลอันเป็นวัตถุภายนอกแต่เป็นรสสุขภายในอันเป็นนามธรรมคนเราเมื่ออิ่มสุขภายในย่อมไม่หิวสุขภายนอกและลืมทุกข์ภายนอกเสียได้ยฉะนั้นการแผ่เมตตาจึงเป็นคําตอบหนึ่ง สำหรับคนที่มีต้นทุนทางจิตแบบพุทธอยู่ก่อนหากเคยฝึกแผ่เมตตามีจิตตั้งมั่นอยู่ในสุขจากเมตตาธรรมก็จะผ่านช่วงอกกลัดหนองไปได้เร็วมากเป็นธรรมดาเมื่อสุขก็สุขจริงแบบไม่ฝืนเมื่อตัดใจก็ตัดได้จริงแบบไม่แกลง้งแต่แม้ยังไม่มีต้นทุนก็สร้างทุนขึ้นมาใช้แก้ทุกข์ได้ วิธีแผ่เมตตาง่ายๆตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้พิจารณาว่าความพยาบาทหรือความอาฆาตแค้นแน่นอกนั้นเป็นโรคทางใจหายจากโรคได้ก็สบายได้กลับมามีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชาได้พอเห็นจริงตามนั้นใจเราจะเบาโล่งขึ้นมาขณะหนึ่งให้อาศัยขณะแห่งความเบานั้นเป็นที่สังเกต ร, รัศมีสุขที่เกิดขึ้น จนรู้สึกถึงรัศมีสุขที่แผ่ออกไปไม่มีประมาณหรืออีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำให้สวดแบบไม่หวังอะไรนอกจากได้เป็นสุขกับการถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาสวดหลา ย, ลายรอบจนสุขเออชัดคล้ายเราสวดเพื่อให้พระพุทธรูปมีความสุขจากกระแสสุขนั้น และแผ่ไป ก, กว้างๆก่อนโดยไม่ต้องนึกถึงหน้าใครกระทั่งสุขเกิดขึ้นต่อเนื่องแน่นอนระดับหนึ่งคอยอาศัยสุขนั้นกำหนดนึกถึงใบหน้าบุคคลขอให้เขาหรือเธอจงเป็นสุขเท่ากับที่เราเป็นสุขอยู่แค่ฝึกเกี่ยงนี้ไม่นานความประสงค์ร้ายจะกลายเป็นความปรารถนาดีเปลี่ยนจากนึกถึงหน้าคนแล้วเป็นทุกข์กลายเป็นนึกถึงหน้าคนแล้วเป็นสุขนั่นและ ความอัศจรรย์ที่ไม่ลึกลับอะไรจากการเปิดแผ่เผยใจให้กับสุขในเมตตาธรรม